พระกรรมาฐานโดยมากจะไม่นิยมให้ไปสร้างเมนและสร้างเจดีสําหรับพี่น้องประชาชนญาติโยมนะเพราะเหตุรเพราะว่าท่านบอกว่าถูปารหังบุคคลสี่เจมควกสมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีแต่ถูปารหังบุคคลสี่เจมควกนั้นคืออะไร พ, พ, พระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระหันสาวกพระเจ้ า, จา ก, กัจจภพ ก็มีอยู่คนเดียวที่ว่าพระเจ้าจั ก, กรพรรดิที่ยังมีกิเลตอยู่ที่สมควรที่จะสร้างสถูปในเจดีย์ทำไมพระเจ้าจากกักรพรรดิจึงสมควรสร้างเจดีย์เพราะว่าพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชนในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นผู้ใคร่ข้าวประครเป็นผู้อดอยากพระเจ้าจั ก, กรพรรดิจั บ, บแบงก็แบ่งเงินให้จับครองพระคลังให้ ไม่มีขโมยโพยโจรในยุคพระเจ้าจักรพรรดิคนร้่นแล้วจะมีศินห้าประจําตัวและก็มีศินแปเป็นบางครั้งคราวเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายในเกิดทุกยุคของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นยุค ท, ที่ร่มเย็นเป็นสุขที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิตายไปหรือสวรรคตไปเขาจะสร้างสถูปและเจดีย์ขึ้นมาเพื่อบรรจุกอธิษฐานของท่าน เมื่อคนไปกราบไปไหว้ก็ระ ล, ลึกถึงเออพระเจ้าจักรพรรดิของเราเนี่เป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมทําตัวเป็นคนดีมีศีลห้ามีศีลอุโบสถถ้าหาว่าข้าพรเจ้าทําอย่างท่านบ้างโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขไปนั้นคนไปกราบไปไหว้อธิษฐานของพระเจ้าจักรพรรดิเขาเหล่านั้นก็จะได้ไปเกิด ไปอยู่สู่สวรรค์ได้อันนี้คือพระพุทธญาณท่านได้บอกจับเอาไว้แต่นอกจากนั้นไม่ควรไม่ควรจะสร้างสถูปและเจดีย์เพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะตายว่าเออเมื่อเจ้าตายไปแล้วเนี่ยเราจะมาอยู่ในสถูปนี่แหะอยู่ในเจดีย์นี่ยอยู่ในท่าดนี่แหละอยู่ในข้านกําแพงนี่แหละแอบอย่างนี้แต่ถ้าว่าใจของคนนั้นไม่รู้จักปล่อยวาง เวลาครรภแกตายมันคิดแล้วเออข้าตายไปเนี่ยข้าจะจ้องอยู่ในข้างกำแพงนั่นแหละจิตใจก็ไปผูกไปมัดอยู่ตรงนั้นแหละจิตใจก็ไปมัดอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นเมื่อตายไปแล้วจิตใจก็ไปผูกอยู่ตรงนั้นเมื่อกระดูกเข้าไปเขากระดูกไว้กับฝ่อกระดูกแห้งตัวเองอยู่ตรงนั้นเพราะาจิตใจยังมีกิเลสอยู่จิตใจยังคล้องแวะอยู่จิตใจไม่ปล่อยวาง เพราะนั้นก่อที่จะกระดูกแห้งนั้นจะตกลงไปสู่ดินน้ำลมไฟโวเองก็ไม่รู้เฝ้าไปกร้วกกี่น้อยกี่ร้อยปีจึงจะแตกพุสลายลงไปจึงจะไปหาที่เกิดที่อื่นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าด้วยพระหรันสาวกทั้งหลายท่านจึงไม่ให้สร้างสะทุะเจดีสำหรับใจกระดูกพระตชน อ, อันนี้คือความหมายนะคะนั้น ที่จะเอากระดูกไว้ในรูปฟอเอาไปฝังดินเลยฝังดินที่ไหนก็ได้ือฝังดินไว้ที่วัดก็ได้ลงโปรยในน้ำโขงก็ได้โปรยในน้าทะเลก็ได้พอมันหมดสภาพแล้วกระดูกถ้าเก็บไว้มัมีความหมายสําหรับลูกกับหลานเท่านั้นเองถ้าลูกกับหลานมันมีความหมายอยู่ถ้าถึงเลนแล้วเปนลูกกระดูกใครแล้วทีนี้ถ้ากระดูกแตกก็มาจากข้างเจมีกับเป็นลูกกระดูกใครเกิด อ, อยู่นั่นเอง เพราะว่าไม่มีความหมายและสําหรับเหรียญกัญวาเนีา่าหนะูยาตายยาตายไปแล้วก็ลูกหลานก็หายอยู่หากินตามปภาษีภาษาต่างคนก็ต่างไปกระดูกกระนั้นก็ทิ้งเปลือกไวอ่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของกระดูกก่อนตายเนะี่ยควรคิดให้ดีนะแอบหลบพ่อพูดตรงนี้พูดทั้งนั้นพูดให้พวกเราไปคิดแอบพูดให้ได้คิดต่อไปภายภาคหน้าช่วยกันคิดกันแล้วกันนะ วันนี้พวกพระครูบาอาจารย์ที่ท่านมาติกาบางสกุลพวกเราท่านทั้งหลายคงจะไม่เข้าใจว่าพระสวดอะไรแต่ตามไม่จริงพระสวดให้ผู้ฟังคนณฟังนะไม่ใช่สวดให้ผีฟังไม่ได้สวดให้คนตายฟังสวดให้คนเป็นพวกเราท่านทั้งหลายนี่ฟังเป็นตัวอย่างหรือว่าให้พวกเราได้รับรู้รับทราบว่าเป็นยังไงอย่างที่เบื้องต้นท่บกว่านโมตัสสักซะก่อนนะ แหม่กล่าวเป็นนโมตัสสักสามจบที่พระท่านสวดจบลงนะีน่ยนโมตัสสัก็คือความหมายก็คือคําแปลก็คือว่าข้าพเจ้าขอนอนน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสจบเพราะว่าจะสวดต่อไปนี่ก็คือพระธรรมคําคสั่งสอนของต้นพุทธเจ้าเพราะนั้นท่านจึงกล่าวนโมสามจบซะก่อนแหมเมื่อกี้เนี่ยจากนั้นท่านก็ว่า กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพพยากตาธรรมาตวอมหมายกับกุศลธรรมะจิตที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะจิตที่เป็นอกุศลอัพพยากตาธรรมะจิตที่เป็นกลางกลางดีที่ท่านสวดขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยใจที่เป็นกุศลใจที่เป็นอกุศลใจที่เป็นกลางกลาง ใจที่เป็นกุศลนั่นคืออะไรคนที่ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลคิดเปในทางที่ดีน้องเปน็นไปในทางที่ดีคิดเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลคิดเพื่อจะดารงพระพุทธศาสนาคิดในที่จะปฏิบัติพ่อแม่คิดในทางที่เป็นศริงเป็นทันอยากทำบุญอยากทาทานอยากสร้างคุณงามความดีอันนี้จิตเป็นกุศล จิตที่เป็นอาคุศสคืออะไรอาคุสลาธรรมมาจิต ท, ที่เป็นอาคุโสนี่คือคิดขโมยของเขาคิดโลกได้ขอเขาคิดพยาบาทฟองไร้เขาคิดอยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดจะเล็นคิดจะเจ็บทาร้ายคนอื่นไม่คิดไม่เคารพครูบาอาจารย์คิดไม่เคารพต่อแม่อันนี้แปลว่าจิตที่เป็นอาคุสลาธรรมมาอัพยากตาธรรมมาจิตที่เป็นกลางกลาง ไม่คิดดีไม่คิดชั่วอันนี้น้อยมากนะจิตขณะขณะจิตที่คิดเป็นกลางกลางน้อยมากจากการกระท่านก็อธิบายแล้วตอนนี้กุศลธรร ม, า, า, ม า, ากุศลธรรมาอภิญากตาธรรมาสุขขายเวทนายะจิตที่เป็นสุขทุกขายเวทนายะสัมปยุตสัมปยุตคือความคิดมันงั้นจากนั้นท่านก็บรรยายไปจนถึงจบจากนั้นก็เหตุตุปเปจโย เรื่องทั้งหลายมาจากเหตุถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุชั่วผลก็ชั่วถ้าเหตุไม่ดีไม่ชั่วไม่ถึงกับเสียหายอันนั้นก็เป็นเหตุกลางๆอันนี้ต่างอธิบายเรื่องเรื่องเหตุปัจจัยเหตุกปฏิโยอารมณปฏิโยอธิปฏิปฏิโยชื่อธรรมเป็นอาจินอธิปฏิอนันตระปฏิโย สมณันตระปฏิโยสหัสตักปะิโยอัญญะปัญญะปฏิโ ย, ยอาศัยซึ่งการลกานเป็นปัจจัยท่านอธิบายเปสรุปแล้วก็คือมีเหตุมีปัจจัยสักก่อนจึงมีเรื่องราวเกิดขึ้นอันนี้ท่านอธิบายให้ฟังสรุปแล้วคืออย่างคุณแม่พูดอย่างที่ลพบพูดกันนะคุณแม่บอกว่าโลกนี้เป็นโลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาบาปก็หาได้หาบุญก็ได้หานานรกก็ได้หาสวรรค์ก็ได้ หาคุกก็ได้หาตารางก็ได้หาเงินหาคลองก็ได้หาญาติพี่น้องก็ได้หาญาติพี่น้องกบบติดใจกว้างขวางไม่หาญาติพี่น้องเลยตาคนนั้นตาคนนี้เขากว่านี้หมดก็อยู่กับตัวเองทั้งหมดเพราะนั้นจังหวัจจัดใจมีเหตุมีปัจใจซะก่อนอถ้าเราหาดีเราก็ได้ดีถ้าเราหาเร็วเราก็ได้เร็วหาสวัสด์ ก, ก, ก็ได้หาคุบก็ได้หาตารางก็ได้ หาคามร่มเย็นเป็นสุก็ได้โลกนี้เป็นโลกหาได้สรุปแล้วก็คือเข้ามาในเหตุตุปจโยที่พระท่านสวดน่ะจากการท่านก็สวด ว, ว่าอเิจาว่าจะสร้างฆาราอุปัททวะฏยาธรมวินโญอุปชิตตวานิรุชันกิตเตสามูปสโมสุขโขอเ น, นจ่าแปลว่าของไม่เที่ยงว่าจะสังฆราสังสารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงและทั้งหลายทั้งปวงอุปัททวะฏยาธรรมวินโญอุป เกิดเกิดขึ้นมาแล้วตายหาความเที่ยงแท้แม่นอนไปได้อุปชิตตวนันนิโรจน์ตีเตสังบูปสมสุขโผการสงบของสังขารเป็นความสุขพระรหันต์ที่ท่านสงบสังขารมีความสุข อ, อ, อุปปัฏวะยะรรุชิตตวันนิโรจนตีเตสังบูปสมุทรสุขโผลสัพเทสตามลันติเจมะลิงสุจามลิจเรตเทียวหงอริสามิอาทิมิเสังสยม ไอ้วันร่างกายของเราเนี่เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนวนทับผมแผ่นดินต้องตายด้วยการทุกคนร่างกายนี่หาสาระหาประโยชน์ไม่ได้ร่างกายนี่ต้องตายไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้ า, า, าอิจฉาได้สรุปแล้วคือท่านเตือนให้พวกเราให้รู้จักอย่าประมาทอย่านอนใจอย่านอนจมไอ้ตำเหนือตำเลือดมาอยู่เสมอว่าร่างกายของคนเราเนี่ย ไม่วันใดก็วันต้องตายแน่นอนอไม่ต้องสงสัย เ, เพราะนั้นท่านจึงได้สวดให้พวกเราฟังไม่ใช่รวดให้ผีฟังวันนั้นะคนตายไปแล้วฟังไม่ได้ เ, เพราะว่าธาต ม, มันจะดับแล้วขันหามันดับไปแล้วตาหูจหมูกลี่นกายมันดับไปแล้ววิญญาณออกจากร่างไปแล้วมีแต่ธรรมดาจากนั้นท่านก่อ ให้กวดน้ำวาทีสวนกุศลอัญากะโผทักทีนาทิมนาขอให้พวกเราวิถีสวนกุศลถึงผู้ที่รวงรับกับขันไปนี่แหละที่ลงพ่อพูดให้ฟังนี่ก็คือที่พระท่านสวดนั้นสวดให้ความหมายให้แกเราแกเราทุกทุกท่านนะให้ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นการสร้างสารสมบุญกุศลเนี่ยเมื่อตายไปแล้วจะค่อยทำ อันนั้นเราคิดผิดนะเรามีชีวิตอยู่เราควรจะทําสิ่งไหนเอาไว้เราก็ควรจะทําเราจะไหว้พระเราจะสวดมนต์เราจะให้ทานเราจะรักษาศีลเราก็รีบทําเอาทําเมื่อตายไปแล้วจะให้ลูกหลานทําให้เนี่ยมันทําไม่ได้เนี่ยทไม่ได้เพราะลูกหลานเขาทากับเป็นคุณคุณศนของเขาเผอเผลอบางคน เมื่อข้าตายไปแล้วเงินอยู่ที่นั่นนะอยู่ในที่ธนาคารนะ เ, เท่านั้นหมื่นทุนนี่แสนนะให้ทําบุญให้เราด้วยแต่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ไม่กล้าทําเสียดายเงิน เ, เพราะว่าไม่รู้จะทํำยังไงเสียดายเงินเมื่อข้าตายให้ลูกหลานทํำให้พอตัวเองตายไปแล้วทีนี้ลูกหลานเขาก่อน เ, อเลี้ยงเล่าเลี้ยงยาหมอลงหมอร้องหมอลำฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทั้งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลกับทาบาปเอากุศลให้แก่ตัวเองเข้าไปอีกเพราะว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งที่จะเป็นการบุญการกุศลเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกพ่อแม่ปู่ยา่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายนะลูกพ่อขอเตือนไว้ก่อนที่จะล้มจะตายเนะี่ยก่อนที่จะถึงจุดจบของพวกเราเนี่ยพวกเราควรจะเตรียมตัวอาไว้แต่แก่เนๆสั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะว่าชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน เราจะทําสิ่งไหนเราทําเอาซะยังมีชีวิตอยู่เราจะทําทานสร้างพระพุทธหลุมสร้างเจดีย์สร้า ง, รงสระสร้างลาเออหรือว่าว่ายผ้าสวดมนต์ถ้าเราไม่มีเงิน เ, ออเราก็ไม่จําเป็นจะต้องสร้างเพราะว่าการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ห่าจะมีเงินซะก่อนในจึงจะเป็นบุญกุศลไหว้ผ้าสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอย่างพระท่านไม่มีช่อมบัตรอะไรท่านก็ไหว้ผ้านั่งภาวนาของท่านออถ้ามีขึ้นมาท่าออนก็บริจาคไป เป็นบุญกุศลไปแต่ถ้าว่าเราไม่มีเราก็ น, นั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ล้นแล้วจะเป็นบุญกุศลทางนั้นน่ะปฏิบัติพ่อแม่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าเราไม่มีเงินเราไม่รู้จะทําบุญยังไงลบพ่อก็มีแต่พูดนะว่าให้ทําบุญทําทานและเราไม่มีเงินเราจะทํำยังไงเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่จะมีเงินอย่างเดียวนะคนมีเงิน แต่ทําบุญจักแค่ว่าทําไปเฉยๆเพล่เพการทําบุญนั้นอาจจะเป็นบาปเข้าตัวเองก็ได้ซื้อเหล้าซื้อยามาให้หมูให้เพื่อนกิน ม, มาล่องลาทําเพลงอย่างนี้ในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่การทําบุญ น, น, นั่นนะ เ, เป็นการสนุกสนานเพลิดเพลินดื่มเล่นเฮฮาเท่านั้นเองแต่เป็นบุญเป็นกุศลก็คื อ, อการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คนเท่าคนแก่สร้างวัดวาศาสนาทําบุญทําทาน ให้ทานให้คนได้ดูได้กินแต่จะเป็นค่าสัดบดาดชีวิตมาให้คนดูคนกินอาหารสําเร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทําให้คนอยู่คนกินอันนั้นเป็นบุญเป็นกุศลการสั่งสมบุญกุศลเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราท่ทานทั้งหลายขณะทีงมีชีวิตอยู่ขะยังมีชีวิตอยู่สั่งสมเอาบุญกุศลเมื่อตายไปแล้วอย่าไปคิดฝวังพึ่งคนอื่นแต่ขณะยังมีชีวิตอยู่ อย่างบอกลูกบอกหลานยังบอกไม่ได้แต่เมื่อตัวเองตายไปแล้วบอกสออิให้เขาทําอย่างนั้นเขาทํานี้เขาจะเป็นเชื่ อ, อยังไงคนเองตายแล้วคนนั้นขนาดยังมีชีวิตอยู่จะสั่งสมบุญกุศลสิ่งไหนก่อนทรียกทาํา่อนักอย่าไปอาศัยลูกอาศัยหลานด้วยนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนอย่าโยมทุกๆคนพยายามสั่งสมเอาไว้บุญกุศลพวกเราต้องจากโลกนี้ไป แน่นอนแล้วไม่ต้องสงสัยแต่ไม่วันในก็ต้องวันหนึ่งไม่มีใครประกันได้ว่าชีวิตนี้จะอยู่นานสักเท่าไหร่พวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นปูบายการพระป่าพระโรงปูบายการผู้เฒ่าผู้กแก่ผมเห็นปูบายการท่านจริงตัดเกอนพวกเราท่านทั้งหลายยาประมาทเนะ้าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งจะต้อง แตกสลายตายในที่สุดอย่างในชาดกเหมือนกันนะชาดกพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรุปธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็ได้บาเพ็ญกุศลเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าในท่านเป็นผู้มีปัญญาค้นคิดอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นลูกพระเจ้าจ้ากัปตันพระเจ้าเจ้ากัปตันมีลูกหลายคนแต่ว่าท่าน เจ้าชายเนี่ยชื่อถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดจะเป็นชื่อว่าเจ้าชายยุธันชัยยุธันชัยกุมารกุมารก็คือยังเป็นที่ยอมรับของตนตระกูลเหมือนกันแต่ที่นี้วันหนึ่งท่านก็มีความสุขบนกระลุกพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างวันหนึ่งท่านเสด็จไปประภาคไปอุทยาไปชมไปชมสวน ไปทรงสวนอุทยานกับบริษัทบริวารมากมายแบบนั้นเด็ไปก็ไปเห็นน้ําค้างอยู่ในยอดหยาพอแดกส่องมาโอ้มันสีงามแบงนั้นเด็น้ําค้างมันอยู่ใบยอดยามันติดอยูย่ใยแมลงมุมบังติดอยู่ยอดหยาบังดูดูแล้วมันอยู่ในยอดยาดูแล้วมันสวยแบงนั้นเโอ้อันนั้นก็เลยถามนายสารถีเพราะท่านไม่เคยออกมาแต่เช้าเนะี่ยท่านถามว่าอันนี้คืออะไร นายสารธีบอกว่าน้าค้างระเจ้าข่าอา่ะน้ำค้างมันทำไมมันมันไม่มีทุกเวลามันมีแต่ตอนเช้าระเจ้าข่าเยเพราะว่าน้าค้างเวลากลางคืนมาัมนน้ำค้างบอกอลมติดอยู่ใบญ้าระเจ้าข่าอาอธิบายท่านก็ไปเสด็จไปถึงวุทยานตอนบ่ายท่านก็กลับมาท่านก็กลับมามาเห็นอ่ะทําไมไม่เห็นน้ำค้างนายสารธีก็บอกว่า พอพาทิตย์ขึ้นมาน้ําค้างก็หล่นไปหมดแล้วพอเจ้ากรรวันพรุ่งนี้มันกบขึ้นมาอีกพอนายจะได้ถีแนะนําเท่านั้นเองยุทธันชัยเน่ยท่านจุกุ ม, มานก็สลดสังเวชใหญเนีเห็นไหมท่านท่านมีธรรมในใจแค่ว่าเห็นอนันนี้จังโอ้ชีวิตของคนเราเนี่ยแตเหมือนน้าค้างเหมือนกันนะเอออีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องตกตกแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นมาอีก แล้วก็จะซ่องตกอีกเราจะทํำยังไงเนาะจึงจะไม่เกิดไม่ตายอีกในโลกนี่มีแต่ทางเดียวเท่านั้นนะถ้าเราดูอย่างนี้เป็นคารวะอย่างนี้เป็นราชกุมารอย่างนี้พญาทิพย์มรณะจะต้องเข้ามาหาเราแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะครองราดไม่ควรจะอยู่ในโลกนี้ไม่ควรจะหาทางพ้นทุกข์อันนี้คือเป็นความคิดของ พระราชกุมารเพราท่านจังสมบัลมีมามากต่อมากแล้วจากนั้นท่านก็เข้าไปทูลขอปันประชาขอ บ, ชอบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าแล้วเข้าไปขอกับพระปิดาพระบิดาโอ้โหเด็ดตีนขาดจะไม่ให้จากนั้นแม่เข้ามาอกีกมาห้ามอกีกแต่พที่สุดท่านก็บอกว่าท่านอยู่ไม่ได้ท่านไม่มีกําลังใจที่จะอยู่ของราชสมบัติเพราะท่านเห็นอันิี้จังคือของไม่เที่ยง ตายต่อหน้าต่อตาอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าก็จะต้องตายแน่นอนคนนั้นข้าพเจ้าไม่ต้องการอยู่ในราชสมบัติแต่ข้าพเจ้าต้องการโพธิญาณคือทางพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัดจัสงสารนี้อีกข้าพเจ้าต้องการอย่างนั้นอย่างสุดๆพระเจ้าค่ะาคือทูลขอจากพระบิดาพระบิดาเออห้ามไม่ได้เอาไปก็ไปนะลูกนะแต่ต้องเจ้าต้อง พยายามสังสมคุณ ง, งามความดีให้สุดๆนะลูกนะจากทัานก่อนลาออกไปพอลาออกไปน้องชายผู้อยู่ติดอีกเมื่อพี่ชายลานลูกชายก็ขอลาอีกคนหนึ่งแต่ลูกของพระเจ้าเพทินในยุคนั้นพระเจ้าจักรพรรดิมีลูกหลายคนแต่พระท่านแต่ท่านก็มอบให้คนอื่นฟองราชต่อไปแต่หัวใจของท่านกระคืนลูกชายคนเนี้หัวแก้วหัวแหวนมา่อไงถึงที่จะเป็นจัาสืบทอด พ, พระเจ้าจักรพรรดิแทนจากพระ อ, องค์ต่อไป จากนั้นพระเจ้าลูกทั้งสองก็ออกไปบวชเป็นฤาษีชีภัยอยู่ในป่าทีวรถือเนคขมักคือเป็นนักบวชรักษาศิลงไม่มีครอบไม่มีครัวไม่มีสาไม่มีภรรยาว่า ง, งั้นแต่ไปเป็นฤาษีอยู่ในป่าท่านบอกว่าถ้าหาว่ามีครอบมีครัวมีแต่สิ่งพลุงพลังมีเครื่องปูกมัดแก่จิตแก่กกใจหาหนทางที่จะค้คนทบกข์แต่อยาก พราะนั้นท่านจึงออกไปดูตามลําพังอยู่กับนอ้องชายอยู่ในป่าี่มะพานท่านก็บำเพ็ญไม่งานท่านก็ได้สําเร็จฌานโลกีนะจากนั้นเมื่อท่านชิ่นชีวิตท่านก็ไปเกิดในภพมะโลกอย่างไม่พ้นทุกในชาตินั้นจากนั้นบอหมดบุลแล้วท่านก็ลงมาเกิดอีกอมาสังสมบัลมีอีกนี่แปลว่าชาตินั้นแปลว่าชาติที่พระพทุทธเจ้าท่านบำเพ็ญ เป็นดูสีอยู่ในป่ากับน้องชายจนได้สําเร็จฌานโดกีจากนั้นท่านออกไปสู่คุมโลกนี่แหละคือการภาวนาเนี่ยท่านก็ไม่ได้ได้ให้ทานอะไรท่านไปบำเพ็ญอยู่ในปา่าคือภาวนาภาวนาทําจิตให้สงบทาจิตให้เป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตใจไม่กระเพื่อมจิตใจเป็นสมาธิอยู่ตลอด โดยมากผู้นั้นจะไปสู่พรหมนะไปสู่พรมแต่ถ้าอ น, นิสงส์ศีลอนิสุนรักษาศีลบริสุทธิ์อา น, นิสงส์ในการทําทานอา น, นิสงส์ปฏิบัติบิดามารดาอา น, นิสงส์สงเคราะห์อนุเคราะห์สร้างโรงพยาบาลอะไรก็ตามถ้าว่าใครทําได้อย่างนั้นไปสู่สวรรค์อ น, นิสงส์แห่การทําบุญทำทานไปสู่สวรรค์แต่อ น, นิสงส์ภาวนาเนี่โดยมากจะไปสู่พรมอมนไปสู่พรห ม, มโลก อยู่นานเท่านานไปนั้นพวกเราท่านทางหลายตายแล้วไม่ศูนย์สรุปแล้วเไปนั้นพวกญาติโยมทุกๆท่ทานเะน้่ยในสังสมบุญกุศลเอาไว้อย่าประมาทชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะยกตัวอย่างมาให้พวกเราท่านทางหลายได้เห็นถึงที่ท่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินในปศ ก, ก่อนชาติก่อนท่านก็ยังไม่หลงลืมตัวมาถึงในชาตินี้พระพุทธเจ้าของเราเป็นลูกกษัตริย์ เ็นลูกของพระเจ้าจุโธธนะกรุงกบิ น, นละพัทแล้วก็ใด้อภิเศกสมรสมีอัครมเหสีมีลูกอ่าพลาหมมีพระบิดามีพระมารดามีอัครมเหสีมีบริษัทบริวารสรุปแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขท้อมดทุกอย่างสนมกำนันเป็นร้อยเป็นพันไปที่ไหนมีแต่ทหารห้องร้อง แต่ถึงอย่างนั้นพุทธองค์เห็นอันนี้จังคือเห็นคนแก่วันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จออกไปเยี่ยมไปชมสวนอุทยานไปเห็นคนแก่หลังค่อมท่านไม่เคยเห็นคนแก่เพราะว่าพระเจ้าถือโทตนะไม่ให้เห็นพระบิดาไม่ให้เห็นนี่จะเห็นของสิวิไลของสวยของงามเท่านั้นแต่ของที่อันไหนไม่สวยงามพระบิดาจะไม่ให้เห็น แต่วันนั้นกอคงจะเป็นเรื่องบรรทุบันดาอย่างไงก็ไม่รู้หรือว่าการดูแล ร, รักษาอาจจะสะเท่ามากง่ายไปยายแก่ก็เลยเดินผ่านเข้ามามาเห็นจิตตฐานก็เห็นว่านี่ทำไมทำไมคนจะเป็นอย่างนี้เป็นอะไรนะ่ะนายชันนาที่เป็นสารถีขับรถก็บอกคนแก่พระเจ้าค่ะขาทําไมค น, นแก่ถ้าคนไม่ตายง่ายก็ต้องแก่พระเจ้าค่ะเออ ทำไมคนแก่จะหาความสุขไม่ได้คนอย่างนี้ผมก็หงอกฟันก็หลุดนังก็เหี่ยวหลังก็แของแล้วก็สักไม้เท้าเดินต่ําตามลําพังธรรมดาต้องอาศัยไม้เท้าข้ามยันไปโอ้ถ้าอย่างนี้จะหาความสุขได้ยังไงถ้าเราแก่อย่างนี้เราก็ไม่ไหวเหมือนกันสิทธัตถะสลดสำเวทใจอย่างมากเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเห็นสิทธัตถะท่านเห็นคนแก่ท่านก็คิดอีกอย่าง แต่พวกเราเห็นคนแก่เจ๊กเจ๊กเกื Jay ่อกลางกลางเรื่อเงะเงะไงพวกเราลำคาญอีกยังโมโหให้คนแก่อีกไม่ได็กเหมือนไม่เหมือนสิทธัตถะเพราะนั้นจิตใจของพวกเราจริงไม่เหมือนสิทธัตถะจึงไม่เป็นพวกพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกเรามีความคิดแตกต่างจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิทธัตท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็เกิดโสดสังเวจใจท่านก็กลับเวียงวันวันนั้นไม่ไม่เสด็จสวนอุทยานนะพอต่อมาอีกเดินไปอีก วันที่สองที่สพักเหนื่อยแล้วไปอินเห็นอีกไปเห็นคนเจ็บ เ, เข้าหามมาตอนเจะถามไปที่ไหนก็ไม่รู้เห็นชักริ้นชักงรในเปของเขาท่านกถามท้าสำไมคนเป็นอะไรนายสารธีรก็บอกว่าท่านคนเจ็บท่าเจ้าขาอา้าวทำไมบางทีมันก็เจ็บนเจ็บท้องปวดง่วมันเป็นไปได้ผมร่างกายนี่ท่านดูดีมันตบเหมือนตะ ป, ปกติแต่มันเจ็บมันเจ็บป ร, ระมาณจริงๆท่าเจ้าขา โอ้ตายจะหาความสุขได้ยังไงเมื่อคนเก็บอย่างนั้ น, นดูสินกูพลายแหมเห็นมองเห็นแล้วก็ักระสายถ้าคนเก็บเห็นหาความสุขได้ที่ไหนถ้าบริว่าิกับมาเคสเอกเออคนคนเราเนี่ยแกแล้วก็เก็บแหมหาความสุขไปดาจากนั้นท่านเสด็จต่อมาอีกท่านเสด็จอีกไปเห็นคนตายเขาหาคนตายครับเขาหาอะไรเขาหาคนตายแล้วคนตายมันเดินไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะคนตายแล้ว ศีลธรรมก็เกิดความสลดจำเวทอีกร่างกายของคนเราตายทั้งหมดในสารถีเขาก็บอกเพราะนั้นร่างกายของคนเราไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายพร้อมที่จะตายได้ศีลธรรมก็เกิดความสลดจำเวทใจท่านจริงกลับมาเวียงวางอีกทีนี้เป็นครั้งที่สจากนั้นท่านก็ไปชมชมสวนอีกนะวันที่ต่อมาอีกท่านก็เสด็จเข้าอีกทีไปเห็นสมณะนี่คือนักบวช นั่งจุดครอต้นไม้นั่งขัดสมาธินิ่งหลับตาท่านก็นั่งลดถ่านไปถามนายสารธีรนั่นคืออะไรนายสารธีบอกว่า น, นี่คือนักบวดเสียสละออกจากโลกไม่ล้องเกี่ยวไม่เกี่ยวแหวกับเรื่องอะไรทั้งหมดท่านภาวนาท่านดูจิตของท่านที่นี้นายสารธีบอกอย่างนั้นชิตถากโอ้ใช่อันนี้เป็นผลถาน เอิสระในการเป็นอยู่จากนั้นท่านก็ท่านก็นั่งคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาทั้งเห็นคนแก่คนเจ็บ ค, คนตายและเห็นสมณะจากนั้นท่านก็ได้กลับมากลับมาเรียงวังต่มาเห็นได้ยินทราบข่าวว่าพระราหุลบุตรของพระ อ, องค์ประชวรในวันนั้นจากนั้นท่านก็โอ้ตายแต่บุตรเกิดขึ้นมาแล้วละหูนะละหูนะละหูนะ เน่คือเชื่องผูกเกิดขึ้นเราแก่เราแล้วราหูห น, านะเนี่ยเชื่องผูกเกิดขึ้นมากับเราแล้วถ้าจะว่าไปก็คือเชื่องผูกเชื่องพันธนาการเกิดขึ้นมาเน่ถ้าว่าเราไม่รู้จักแก้ก่อนเนี่รักลูกเชื่องพันธนาการโบราณเขาจึงเป็นคำพังเพยขึ้นมาว่ารักรูกเหมือนเชื่องผูกคอรักสามีพัญญาเหมือนปอผูกศอกรักสมบัติเข้าของเหมือนปอก รักขารักลูกเหมือนเชือกผูกคอไปที่ไหนไปเออลูกเขเรากินยังไงอยู่ยังไงเออเขาจะนอนจะทําอะไรเขาจะได้ศึกษาอะไรเป็นห่วงลูกอย่งนั้นะไปที่ไหนก็เป็นห่วงเขาเหมือนเชือกผูกคอเออเหมือนเชืบผูกคออย่างนั้นแหะไปที่ไหนก็เป็นห่วงเขานี่ยแหละรักสามีปัญญาเหมือนคอผูกศอกผูกสอกไผ่หลังอนะนะเออแน่นนั้นเลยอ่านั้นเะไปที่ไหนก็ลําบาก ก็องรักษามีพัญญารักสมบัติเท่าของเหมือนปอกราาักขาไปที่ไหนไม่ได้ก็ห่วงสมบัติจะไปที่ไหนก็ห่วงบ้านห่ว ง, งเรือนห่วงกิจการร้านค้าอันนี้แปลว่าสมบัติเหมือนสัตวปอกรักขาเอาไว้กระดุกกระดิกไม่ได้เพราะนั่นถ้าไม่ตัดถ้าไม่ทํำใจจริงๆนี้ไม่ได้นี้จะบานไม่ได้อันนี้แปลว่าสมบัติเหมือนกับปอกรักขาเอาไว้ คนโบราณเขาพูดเป็นคํำปังเคยออกมาถูกต้องนะแม่ศิษย์ทกั์ท่านก่อนเห็นลูกของท่านเขาพระหุนะพระหุนะเครื่องผูกเกิดแก่เราแล้วาจากนั้นท่านก็มาถึงเวียงวังพอถึงกลางคืนท่านก็เสด็จหนีออกไปบวชไปอยู่ในป่าอหนีออกไปไปบวชคนยุคสมัยนี้เขาบอกว่าจากกรุงศรีนครไปถึงแม่น้ํา เนรัญชาที่พระพุทธเจ้าบวชน่ะห่างกันประมาณ200บกว่ากิโลนะไม่ใช่ใกล้เหมือนกั น, กนนะแสดงว่มมาม้าการจักระกันบนายชั้นหน้านี่พ่อตะบึงพ่อสมควรเหมนะ เ, เออไปถึงจุดนั้นได้จากนั้นพระองค์ก็บวชบวชพอมาแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีวิทยุนะไม่ได้ส่งข่าวถึงใครอยู่ตามลำพังพระองค์พอบวชแล้วก็คือเป็นนักบวชมีผ้าย้อมฝาด ศีษะก็กปรงออกแล้วก็ไปหาขอทานเป็นคนธรรมดาเพราะพุทธองค์ก็บำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีนะอยู่ตามลําพังหกปีเออพอต่อมาพวกปันแกว่าขี่ทั้ง5ทราบข่าวก็เลยเข้าไปคนนิบัติพอช่วหลังหลังแต่พระพุทธองค์อยู่ตามลาพังนานพอสมควรแล้วจากนั้นพระุทองค์ก็ศึกษาในภาคปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างในยุคนั้นสมัยนั้นมีนักปวชหลาย หลายๆนิกายหลายๆหลายๆแนวทางแต่ศิษฐ์ฐานท่านก็มองมองดูแล้วท่านว่าไม่ใช่ทางทางนั้นไปศึกษากับดาบวัสองคนคือลาราบอุตรกรัจดาบวท่านก็มีญาณนะิชฌานนะมีญาณทัศนะแต่ยังไม่ใช่ยังไม่ไม่ใช่หนทางที่จะค้นทุกข์ยังติดอยู่ในฌานยังติดอยู่ในสมาบัติอยู่ไม่ใช่ยังไม่ใช่หนทางเพราะนั้น์ธารพระองค์จริงออกมา ปฏิบัติตามลำพังพระองค์เองนะในคนต้มโพรวันเดือน6กเพ็ญผู้พระเจ้าอยู่ทึ้งหกปีนท่านจะได้จารุธรรมกุเพนวาสานุสกิยานอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังแอบจตูปปาตยานจากนั้นก็อาสาวัคคายาญาณานอย่างรู้วัดกิเลกแล้วเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์เห็นความแก่เห็นความเจ็บ เห็นความตายเห็นอนิจจงของไม่เที่ยงของร่างกายอีกสักวันหนึ่งทุกคนจะต้องจำใจลาโลกนี้ถึงจะห่วงหาอะไรขนาดไหนก็ตา ม, มก็ต้องลาโลกนี้ไปในหลักของพุทศาสนาท่านบอกว่าผู้ใดชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนนั้นจะชีวิตสั้นในถ้าว่าฆ่าสั์เป็นอาชิง พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ถึงไหนก็นตายไปแล้วเพราะอา น, นิสงค์คือบาป ก, กรรมที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้าว่าผู้ใดรักษาศีลไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้นั้นชีวิตจะยืนยาวเออที่คนชีวิตยืนยาวให้เรารู้เลยเลยว่าอา น, นิสงส์ศีลของเขาค่อนีดีมากเอ่ออ น, นิสงส์ศีลแล้วก็บางคนถึงจะอายุยืนยาวแต่มีสุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นแปลว่าเพรก่อนชาติก่อน ล่างแก่สัตว์อ่าเบียดเบียนสัตว์แต่ไม่ถึงกับฆ่าแต่ล่างแก้มันทุบตีมันเออล่างแก้มันม่ให้มันกินอาหารม่ให้มันกินน้ําบักลักษณะอย่างนั้นอ่ะเนี่ยพราะนั้นบาป ก, กรรมที่เราได้กระทํากับเขาเหล่านั้นจัดเหล่านั้นมันมาย้อนมาหาตัวเองเออเกิดมาพบนี้ฉาดนี้ก็เจ็บไข้ไปป่วยเข้าโรงพยาบาลเออวนเข้าเวียนออกอยู่อย่างนั้นะพอเห็นไรเพราะว่า กรรมคือการกระทํำของตัวเองในอดีตชาตินี่แหละในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าอย่างนั้นนะวัดต้องวนกลมล้อมวนเวียนเนี่ยการใครทําสิ่งไหนที่ไม่ดีเอาไว้สิ่งนั้นก็จะตามสนองค่ะว่าใครทํากรรมดีเอาไว้จำนั้นก็จะตามสนองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราทัานทั้งหลายพระพุทธองค์ตรงสอนตักเตือนพวกเราว่าอย่าทากรรมชั่วนะอกักตรังบุกตรังเสโยปัชชาตกปฏิลุกตรัง กรรมชั่วอย่าทำเสนอดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นยลอกขอผ่านเมื่อภายหลังคนนั้นพวกเราให้ทําแต่กรรมดีตั้สมบุญกุศลเอาไว้อย่าประมาะนะตห้งสมเอาไว้ถ้าว่าใครทํากรรมชั่วถลเข้าไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลเกิดภบหน้าชาติหน้าก็เกิดมาไปในสิ่งที่ไม่ปึงปรักฐานาถ้าว่าพวกเราทํากรรมดีไปแล้ว ไปเกิดในสถานที่ใดที่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่ปุ๋ยยาตายายก็ไปไปเกิดในสิ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีว่างั้นแต่แต่ถ้าว่าเราทําสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้เราไปเกิดก็ไปเกิดในสิ่งที่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยราะนั้นให้พวกเราสางสมบุญกุศลใส่จิตใส่ใ จ, ใจของพวกเราถ้าหากว่าพวกเราพ้นทุกข์ในวัฏักรสงสารในภบนิจชาตินชฌาก็ดีไม่ต้องเกิอดอีก ทางว่าพวกเรายังไม่หมดกีเลเนีพวกเราก็จะได้พึ่งพาอาศัยบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมไว้นี่แหละอา น, นิสงทานบัตรอาิสงสินบัตอา น, นิสงภาวนาบันนบตรอ า, า น, าอ น, นิสง์ปฏิบัติกิรามานตาบัตอานิสงสงเอราะอนุเคราะห์โลกไปบัตรอา น, นิสง์นั่งสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเกือ้อกูลหนุนพวกเราไปสู่สกติเห็นจนกว่าจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเห็น อนนี้ังทุกขังอนัตตาแล้วก็เบื่อหน่ายทายหลุดพ้นจากกิเด็กไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตา ก, การเฉะนั้นพวกเราพูกหลานทุกคนนะอย่าประมาทชีวิตของพวกเราเนใี่ยตายและเกิดแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะในหลักของพระศาสนาพุทธเจ้ายืนยันไว้อย่างนั้นแล้วก็มีหลายหลายอย่างที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่าพิจูพิจตายไปเป็นเล่นอย่างนี้ นี่สงเพราะว่าเป็นห่วงการที่เป็นห่วงห่วงหาอะไรอะไรข้าห่วงหาคิดถึงไครห่วงหาอะไรอะไรกับผ้ากีบอนยังเกิดเป็นเลนผมพูดเอาองค์ก็ยืนกันอย่างนั้นแล้วแต่ว่าท่านนิสงท่านดีท่านรักษาศีลแต่ขณะที่ตายน่ยท่านจึงให้นึกถึงทุกโธทำโมสังโธ ท, ทาใจให้สบายบา ย, บายไม่ต่องวิตกไม่ท่องกังวล ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่ให้คิดถึงบุญกุศลในขณะที่เอาคุณจะเข้าห้องไอซแล้วนะจะเข้าห้องพาตาดแลนะในใจะดมยาสลบแล้วนะให้เราน้อมจิตและรึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมปัจจุบัน้อมจิตและรึ้ถึงบุญงามความดีน้อมจิตและรึกถึงบุญกุศลที่เราได้สังสมเอามาอย่าไปโกรธโม โ, โ, โ, โหโถโกโภธาให้เ็แก่ไคทั้งหมดนะเดี๋ยวจะเข้าได้พกเข็มแล้วนะจุดกั่นนะ จิตใจกำลังจะเข้าได้ครอบเขียนคุณท่านเราจะไปส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วนั้นแหละถ้าเผลอตายไปเป็นบ่วงใครเป็นโกรธโมโหให้แจ็บใครตายไปขนาดนั้นแปลว่าไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนแต่ขนาดพระเจ้าทำมโศกราชสร้างบุญสร้างกุศลมามากต่อมากแต่ก่อนที่จะตายท่านโมโหให้บริษัทบริวา ร, ร, ร, รของขกันพอตายพิ่ไปไปเกิดเป็นงูใหญ่ใช่ไหมเป็นสัตว์อสรพิษเลย เกิดเป็นราชสีบังเป็นเสือบงเป็นงูบงเป็นสัตว์ที่ดูคร้ายพวกที่ตายด้วยโทรศัทพท์ในพอยนั้นก่อนที่เราจะตายทางหลง่อง อ, อยู่ใกล้หลงอหัวเออรก่อนที่จะเข้าห้องไอซียูนะก่อนที่เขาจะฉีดยาสลบให้นะให้นั้นนึกถึงผมงามนความดีเนอะพุทธโพพุทธโพพุทธโพุโทธพุทธวาเดอร์อยาประมาทเนะไอ้นึกถึงเนอมกีดถึงพวกพวกที่ยาก็ทําผสมเอาไว้ ให้เข้มแข็งเอาไว้ให้เราลึกถึงผู้มุ่งมั่นที่สังสงเอาไว้พอใจขาดตัดไปสู่สวรรค์ทันทีไปสู่คุณงามความดีได้เพราะอานิสงส์ที่เราเลึกถึงคุณงามความดีถึงนั้นก็จะเข้ามาเกื้อกูลหนุนพวกเราแต่บางคนไม่เคยทําคุณงามความดีมาก่อนนะไม่เคยสร้างคุณงามความดีมาก่อนเราจะไปสอนให้พุทโธทำโมสังโฆเลือกถึงคุณงามความดี มันก็เลยลุกไปได้เพราะไม่เคยทำมาก่อนอย่างนี้มันก็มีนะเออเหมือนกับยายขายอหอยหอยจูบนะมียายแก่คนหนึ่ง เ, เกิดมาแล้วไม่เคยแต่งงานนะเียมาก็อาชีพของยายแกนะก็ไปหาหอยเออหน้าฝนก็ไปหางอมหอยเออมาแล้วก็ใส่ในข้องใส่ตะกร้าแล้วก็ไปขายในตลาด พอตกหน้าแรงกัไปหาหัวหอยส้างคันนาวัานี้จะแอบแลกขายหอยจุเป็นอาชีพเลี้ยงหลานวันนี้จะลูกพี่ชายลูกพี่สาวเลี้ยงหลานพออายุกแก่แก่แกมาที่นี่ก็ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยเข้าว่าไม่เคยรักษาศีลไม่เคยภาวนาก็ยึดอาชีพขายหอยแอบจุเป็นหลักวันนี้จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนเขาได้ดีได้ดีเขาเห็นว่าโอ้ยาย อายุกแกแล้วหยุดชา่ยายแม่เพียงลูกหลานจะหาเลี้ยงแหะที่นี่หยุดซะจนอายุกแก่แล้วก็หยุดยุศก็ไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเพราะงนจัดเนี่ยทีนี้ก็พออายุกแก่ป่วยเข้ามาเขาเออไปไปนิมนต์หลวงพ่อมาเทศให้ยายฟังอย่างน้ ย, ยายเป็นผููมีบุญคุณกับลูกกับห ล, ลานเ ล, ลเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมานานแน่ควรจะให้ยายได้บุญได้กุศล จากพวกเราให้ได้ศึกษาท่านบอกทางสู่สวรรค์ให้เขาก็มีมนพระมามีนมนพระบอเออยายยายก็ทําการทํางานทําบุญมาคราวนี้ก็ให้ยายภาวนาเนอะให้ภาวนาเนอะหรือเราวต้องเพึ่งตนเองละคราวเนี้ยไปพึ่งคนอื่นไม่ได้ถึงหมอเขาไปได้ต้องพึ่งตนเอง ให้ภาวนาเนี่ยยยเนี่ให้ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยยยเนี่เออเราก็ยกมือมาโดยพอต่อมาที่นี่พอบริกรรมไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังพอไปมามันลืมทีเพราะไม่เคยศึกษามาก่อนอไม่เคยปฏิบัติมาก่อนไม่เคยศึกษามาก่อนแต่เคยจะหาหอยไปขายวะไรแบบนั้นเอเอ ท่านที่เป็นอารหังเนี่ยเป็นอารหอยใบใหญอารหอยอรหอยอารหอยอรหอยก็ว่าันะใจขาดแสดงว่ายายคนนั้นคงจะไปเกิดเป็นหอยแนี่นอนแบบนันเอะเออเพราะว่ า, ว า, า, า, ามม เ, เพราะสมาอารหังเนี่ยลืมแบงนั้นเอะว่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติมา ก, ก่อนไม่ได้สนใจมา ก, ก่อนนี่จะหาหอยขายเบบนั้นเถอะนั่นท่านที่ พระสงฆ์กรุบาลการให้บริกรรมอารหังอารหังกับเป็นอารหอยเหมือนกันแต่ใจขาดคาอารหอยหลวงพ่อว่าตายแล้วจะเกิดเป็นหอยแน่นอนเหมือนกันแต่อยนั้นพวกเรานะทุกคนนะที่พู้ที่ฟังทางนี้ดังนั้นให้ศึกษาไว้ก่อนเพราะชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้ด่วยการประพฤติปฏิบัติรักษาสิ่ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ ก่อนหลับก่อนนอนก็ให้ไหวพระสะกปรให้ศึกษานะพูดให้ศึกษานะเนี่ยนหลับก่อนนอนไหวพระสะกปรจากนั่นก็เนีภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธในใจก่อนหลับก่อนนอนนะต่อไปก็เป็นชิริตเป็นมงคลสําหรับพวกเราเวลาเราถึงจวนแกมากเวลาถึง ข, ข้าเข้ขันมาเวลาจะเข้าห้องไอซียเวลาเขาจิ๊ใส เอ้ยยาสรบเข้าไปแล้วก็พุโทโผลพุโทโผพุโทโผพุโทโผลในใจก็ได้ฝุกมาแล้วนะแหมพวกเราใจขาดในขณะนั้นก็ไปสู่สวรรค์เพราะอา น, นิสง์การประพฤติปฏิบัติทำใจของเราให้มั่นคงเที่ยงตรงต่อพระพุะทธเจ้าพระธรรมประสงค์ต่อคุณงามความดีดังนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวให้แก่คณะศึกษาญาติโยมได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษานะแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาดูที่ที่หลวงพ่อพูด จริงอย่างที่หลวงพ่อกล่าไม่เพราะพุทธเจ้าท่านสอนแล้วน ะ, ะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิอดอีกนะเอออันนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยถ้าอยากพวกเราอยากจะรู้นะพวกเราให้นั่งภาวนากันแล้วกันเห็นกายกับใจคนละอย่างกันถ้าท่านผู้รู้ท่านก็จะรู้ปวดตนเองนะนะั่นแหะแต่ถ้าไม่มียานาทศนะอะไรก็อย่างว่านะนะั่นแหะเหมือนกับเขาเปิดวิทยุเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องรับเขาเปิดยังไงเราก็ไปรู้ แต่ถ้าว่าคนที่มีวิทยุนะเขาจะรู้ไดเ้เหมือนกับเปิดรับหากันได้จูนเครื่องหากันได้พูดกันรู้เรื่องเข้าใจกันแต่ถ้าาว่าไม่ไม่มีเครื่องนะไม่มีวิทยุนะอย่ากพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่เราจะไปรู้กันได้ย่างไรตามคนก็ตามคิดคิดแต่คนและคิดแต่ทางสรุปแล้วก็คือวิทยุของมนุษย์เนี่ยอยู่เพื่อกันร้อยคนเถอะมีร้อยขึ้นว่างั้นนะมีร้อยขึ้น แต่มันขึ้ื่นตามนั้นคลื่อนมันจูนกันไม่ได้นะจอะแต่ถ้าว่าท่านมีญาณทัศนะท่านเป็นพรวรรณนั้นท่านจูนเครื่องไปหาใครก็ได้ตูนไปหาเครื่องนั้นจูนไปหาเครื่องนี้ท่านรู้ได้หมดเพราะท่านมีญาณทัศนะสมาธิท่านดีเพราะ น, นั้นเพระพระเอเจ้าท่านเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ได้ตัดสู้ธรรมสมาธิท่านดีญาณทัศนะท่านเป็นเยี่ยม เพราะนั้นไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าขพระพุทธเจ้าเครื่องมือของท่า น, นท่านจึงรู้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างะยามปูรู้แจ้งโลกเพราะฉนั้นพวกเราให้เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมก็สงฆ์เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์แล้วจะเป็นคนดีจะมีความสุขนะแ่การพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรขอจบเพียงเท่านี้ออแลเป็นจุขเป็นสุดหน้ามป็นสุขประยุก์วันละสุขขาดพระะลังรวยโชคดี ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สำร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาทุกประการเธ อ, อ